นั่งตามสบายนะนั่งตามสบายใครถนัดท่าไหนก็นั่งท่าไหนว่าจะได้นั่งได้นานที่สุดให้นั่งเลยแ้่วันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสมาเจอกันปกติ ชมรมของพุทธทีโอทีก็จัดการทำบุญอยู่ตลอดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งแต่มาก็ไม่เคยได้มาสักทีหรอกมาเห็นแล้วก็ ห, ห, หรูหราแล้วเกินนเป็นการสร้างของมนุษย์เรานะ่ะ รู้ลเพราะฉะนั้นแล้วก็อยาให้มันรู้หลาเฉพาะวัตถุทางใจของเราให้มันรู้หลาด้วยธรรมอยู่อย่างพอเพียงแต่รู้หลาด้วยธรรมนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญมีโอกาสที่เข้ามาบรรยายธรรมก็รู้สึกว่ายินดีทางพุทธธรรมมันก็จัด ให้มีการทำบุญอยู่เป็นนิดทุกเดือนนิมนตครูอาจารย์มาบรรยายทำให้พวกเราอย่างเช่นเมื่อเช้านี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเนะมื่อเช้านี่ท่านเหล่านั้นเป็นท่านที่ทรงทั้งคุณธมบุญและวบวยาบทจะถือว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็น นาบุญของโลกก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาประชุมกันได้แต่ละครั้งแต่ละคราวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายท่านจะมีเวลาให้กับพวกเราไหมอย่างเมื่อเช้านี่ก็น่าภูมิใจเห็นแล้วก็เออเคารพนับถือครูอาจารย์ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ ควรแก่เครื่องต้นรับแขกนั่นแหละเป็นผู้ควรรับทักขินาทานถ้าพวกเราทำเมือเช้านี่ก็ดีถูกต้องยินดีชมรมดูจากการอาราธนาศีลดูจากการรับศีลเสียงของพวกเรานี่ก็รู้สึกว่าผ่านประสบการณ์ครูอาจารย์มาพอสมควรนะ ถือว่าใช้ได้ยินดียินดีด้วยแต่บันนี้เรามาเจอกันอาตมาก็อาจจะไม่ได้มาแล้วล่ะเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นกะถินครนี้มนต์สองปีซ้อนแล้วปีกายก็ไม่ได้มาปีนี้ก็ถือโอกาสมายินดีเหมือนกันยินดีที่ได้เป็นองค์แสดงธรรม เราเจอกันบันนี้เจอในรูปแบบรูปแบบของพุทธศาสนาเนะเจอกันในรูปแบบของพระพุทธศาสนา <c oughs> เรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องหนื้อที่การงานเรายกไว้ก่อนเราพูดพูดคุยกันถึงเรื่องของศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ย ปกติแล้วมันต้องนั่งสมาธิดูตัวเองสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนะค่อยฟังเทศเหมือนเราจะปลูกพืชเราต้องเตรียมดินเหมือนเราจะย้อมผ้าเราต้องซักผ้าที่จะย้อมนั้นให้ขาวสะอาดตากให้หมาดๆค่อยเอามาย้อม จิตใจก็เหมือนกันจิตใจที่จะรับธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีความสงบพอสมควรแต่ก็ด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็เอาตามนี้ละฟังไปด้วยคิดไปด้วยคำว่าศาสนานี้เป็นเรื่องของใจวันนี้เราเจอเจอกันด้วย ความเป็นศาสนาความเป็นศาสนานี้ต้องกล่าวถึงบุรุษคนหนึ่งเสียก่อนบุรุษคนนี้อุบัติขึ้นเมื่อปีพศ2500ก่อนตั้งพศบุรุษคนนี้สเสด็จเข้าปรินิพพานเสร็จแล้วค่อยมาตั้งพศนะถ้าจะนับย้อนหลังไปก็พศ2560ปี บุรุษท่านนี้ท่านเชื่อว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอุบัติขึ้นมาในโลกมนุษย์เหมือนกันกันกบพวกเราแต่รู้สึกว่าจะต่างกันมากรู้สึกว่าจะต่างกันกันกบพวกเรามากเพราะการอุบัติขึ้นของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นความต้องการของเจ้าชายสิทธัตถะเอง ต้องการว่าอยากจะต้องการให้ตัวของตัวเองเนี่ยแหละให้เป็นพระพุทธเจา้าโดยสร้างบารมีมาอันนี้คือเป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นชาติใดชาติหนึ่งต้องตัดสู้ให้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ก็สมบัตงชาติสองพันห้ารอยหกสิบปี เจ้าชายสิทธัตถะอุบัติขึ้นมารู้สึกว่ามีบทบาททางคุณทางคุณงามความดีมากที่สุดมีบทบาทมากที่สุดมีบทบาทมากจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เนี่ยคือบทบาทของบุรุษคนนั้นเมื่อตาัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอัตมาจะพูดเพียงย่อยๆยุยอ ย, ย, อยไปนะพูดให้เต็มรูปแบบไม่ได้ต้องใช้เวลาสัก3ชั่วโมงวันนี้นะถ้าเต็มรูปแบบไม่พอเพราะฉะนั้นจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาพอให้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแลก็จะผ่านไปผ่านไปเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย สุดท้ายก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือหน้าที่หรือว่าความปรารถนาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยยังสร้างบา ร, รมีอยู่คือต้องการอย่างไรต้องการมาดับทุกข์ให้กับชาวโลกต้องการมาขนสัตว์โลกไปพระนิพพานนี่คือความความคิดของ บุคคลที่สร้างตนเป็นพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีเป็นพระพุทธเจ้าก็คือจะมาขนพวกเรานี้ไปพั น, นิพานนี่ก็คือความปรารถนาคือความต้องการแต่พอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมารู้ระบบข อ, ของความเป็นมนุษย์รู้สึกว่าผิดหวังกับคนอีกประเภทหนึ่งที่ พระพุทธเจ้าให้เชื่อว่าบัวสีเหลาคือเราสุดท้ายนี้เป็นอาหารเต่าและปลาผิดหวังกับคนประเภทนี้เราที่หนึ่งเราที่สองเราที่สามก็ยังพอที่จะพ้นไปได้คือเดียนพระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นนะเนี่ยพวกเราเมื่อ <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงเมืองมนุษย์ก็มาเห็นคนหลายระดับก็โปรดไม่ได้ประเภทหนึ่งนั้นโปรดไม่ได้เลยให้ชื่อว่าปัทภปรามัติปัทภป ร, ะะปรมัดนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะความฉลาดของพระพุทธเจ้าไม่พอเหรอถึงถึงโปรดไม่ได้ไม่ใช่คนประเภทนี้ เป็นคนที่พูดก็ไม่ฟังเห็นก็ไม่ดูรู้ก็ไม่เอาเอ่อประเภทนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็เลยหมดปัญญาที่จะคือกลายเป็นอาหารเต่าและปลาไปอย่างมันเป็นลักษณะนี้นะศาสนาเนี่ยรูปแบบของศาสนานะ ศาสนาศาสนศาสานิที่พวกเราได้ยินกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บขึ้นมาแล้วก็มาสร้างความเป็นศาสนาขึ้นอะไรคือศาสนาอะไรคือศาสนาศาสนานั้นอาจจะมาจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งว่าศาสนามีองค์ประกอบอยู่สอย่าง มีองค์ประกอบอยู่สอย่างอย่างที่หนึ่งคือศาสนาวัตถุศาสนาวัตถุกับศาสนาสถานนี้อันเดียวกันนะอย่างที่สองคือศาสนาพิธีอย่างที่สามคือศาสนาธรรมอย่างที่สี่คือศาสนาบุคคล สอย่างนี้คือองค์ประกอบของศาสนาถ้าเรามององค์ประกอบ4อย่างเราก็เห็จะเห็นความเป็นศาสนาเป็นรูปแบบขึ้นมาศาสนาวัตถุหรือว่าศาสนาสถานเนี่ยวัดบาอารามเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายก็ไปให้ความสําคัญกับศาสนาวัตถุมากกว่าศาสนาธรรม คำว่ า, าศาสนวัตถุเนี่ยวพวกเรายินดีในการสร้างในการให้ทานสร้างวัดบาอารามรู้หลาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมรู้หลาก็ไม่ใช่ว่าไไม่ได้บุญได้แต่เราเป็นเน้นไม่ถูกจุดยินดีพระองค์ไหนเป็นเจ้าอาวาสถ้าไม่มีการก่อสร้างก็หาว่าพระองค์นั้นไม่มีบารมี เราไปมองรูปแบบที่เสียหายไปเสียท่านอาจจะทรงเปลี่ยมล้นไว้ด้วยธรรมก็ได้นะถึงท่านจะไม่ได้มีความก่อสร้างท่านสร้างภายในภายในของท่านอาจจะสมบูรณ์มากกว่าภายนอกก็ได้ตรงที่พระพุทธเจ้าเน้นที่สุดก็คือก่อสร้างภายในพวกเราก็ไปมองเห็นความสำคัญกับวัตถุสิ่งของไป อันนี้ก็เลยโยมก็เลยเข้าใจผิดไปอย่างไปเน้นศาสนาวัตถุมากเกินไปทีนี้อันที่สองศาสนาพิธีพิธีทางศาสนาที่เป็นอริยะพิธีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมามีไม่กี่อย่างเดี๋ยวนี้พิธีรีตองนี้รู้สึกว่างอกขึ้นอย่างดอกเห็ด ท่านผู้รู้ทั้งหลายก็มาจัดการเรื่องศาสนาพิธีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นศาสนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นอรยะพิธีมีไม่กี่อย่างนะอย่างเช่นบวชนาคฉลองบวชตัดรูปนิมิตทอดพระป่าทอดกระถินพิธีสวดพระอภิธรรม พิธีกรรมของพระสงฆ์ต่างๆมีไม่กี่ม่มีไม่กี่อย่างแต่เดี๋ยวนี้มีทั้งคํากล่าวถวายโทรทัศน์มีทั้งคํากล่าวถวายสามจีสามเจอกันเอ้ามันพิธีรีตองมันงอกออกไปอะเนี่ยถ้าเรามาเน้นในศาสนาวัตถุเน้นในศาสนาพิธีมากเกินไป พระสงฆ์ก็จะห่างจากศาสนธรรมถ้ามากด้วยศาสนวัตถุมากด้วยศาสนพิธีพระก็จะมายุ่งเหยิงอยู่กับพิธีรีตองยุ่งเหยิงกับการก่อสร้างก็จะห่างออกจากศาสนธรรมเดี๋ยวนี้แทบจะเป็นลักษณะนี้หมดแล้วผู้ที่จะ นักบวชจริงๆที่จะหันหน้าเข้าหาอัตหาธรรมด้วยการประพฤติธปฏิบัติรู้สึกว่าร้อยหลอลงทุกวันทุกวันเพราะอะไรหรอเพราะพวกเรามันเน้นในาศาสนาวัตถุกับาศาสนาพิธีาศาสนาธรรมได้แก่อะไราศาสนาธรรมคืออย่างหลวงตาบนเทศไปเมื่อกี้นี่แหละศาสนาธรรมนี้เป็นรูปแบบรูปแบบของ การปฏิบัติรูปแบบของการผู้ที่ศึกษาเพื่อที่จะปลูกกิจใจอันนี้ให้มีศรัทธาเกิดขึ้นนี่คือศาสนาธรรมศาสนาธรรมนี้เป็นกิริยาอย่างหลวงตาเทศไปเมื่อกี้นี่เป็นกิริยาที่พวกเราจะแสดงตามแสดงตามกิริยาธรรมเขาเรียกว่าศาสนาธรรมคือการปฏิบัติยกธรรมนั้นเข้าสู่การปฏิบัติเถอะ าศาสนบุคคลนั้นคือใครก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พวกเราทั้งหลายเน้นเข้าสู่สาศาสนธรรมและาศาสนบุคคลาศาสนพิธีเกิดขึ้นตามการตามเวลาก็ทำให้เสียจสิ้นไปอย่างเมื่อเช้านีาศาสนพิธีนิมนต์พระสงฆ์องค์ขาสามเนินมาจะเดินพุทธมนต์ฉันพัฒหาร พวกเราก็ไม่นานก็เสร็จพิธีอันนี้คือาศาสนพิธีทีนี้าศาสนธรรมกับาาศาสนาบุคคลก็คือการนั่งอยู่นี่แหล ะ, ะาศาสนบุคคลกับาศาสนาธรรมกลาลังเกี่ยวข้องกันนี่คือความสำคัญความต้องการของพระพุทธเจ้าเน้นลงที่เดียวคือจิตใจพวกเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดา เกิดขึ้นมาหูไม่หนวกตาไม่บอดไม่ใบบ่าปัญญาสามกายไม่วิปริจจิตไม่วิป ร, รารเกิดขึ้นมาแล้วยังโโปรขึ้นในถ้ำกลางของพุทธธรรมะสังฆะถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะถือว่าพวกเรานี่กาลังแวกว่าอยู่มหาสมุทรของกองบุญนะถือว่าพวกเรานี่กาลังแวกว่าอยู่ในมหาสมุทรของธรรม แต่พวกเราจะเข้าใจการปฏิบัติได้ขนาดไหนพวกเราจะเข้าใจในการตักตวงเอาบุญกุศลได้มากขนาดไหนสมมุติว่าเราเกิดขึ้นมาไม่มีาศาสนาประดับโลกอยู่แล้วเราจะรู้ดีรู้ชั่วได้ละเอียดถึงขนาดนี้เหรืออันนี้พระพุทธเจ้าทำตะแกงเนี่ยร่อน ความดีและความชั่วให้พวกเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้โดยละเอียดแต่พวกส่วนสำคัญที่สุดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่กับการปฏิบัติของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมที่จะนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่ขึ้นสู่สวรรค์ขึ้นสู่พระนิพพานได้ทุกการทุกเวลา ได้ทุกการทุกเวลาเนะี่ยธรรมะคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าศาสนธรรมเนี่ยเป็นของสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไขวคว้าได้ทุกการทุกเวลาวันนี้อาจะมาจะมาปฏิมาพวกเรามาพาพวกเราปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆสบายสบาย ไม่ต้องเป็นยากเกยน็นไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปนั่งสมาธิวันนี้มาแบบง่ายๆเลยนะแบบง่ายๆเราอาจจะเราอาจจะคิดกันเหรอถ้าคําพูดคำนี้ออกไปอ่ะมันมีด้วยเหรอปฏิบัติทำแบบไม่นั่งสมาธิ <laughs> <laughs> เนี่ยคำว่าศาสนาแล้วสอนเรื่องจิตอย่างเดียวแต่พวกเราพวกเรา เกิดขึ้นมาพอดีมีกายปร ะ, ประกอบอยู่ก็ต้องมีกายกับจิตมีกายกับจิตกายนี้ก็เป็นสมบัติเก่าเป็นบุญเก่าที่เราสร้างไว้จากอดีตชาติพอที่จะได้เป็นร่างกายของมนุษย์มาใช้ในภพภูมิของมนุษย์ชั่วระยะหนึ่งเขาก็จะแตกดับไป แต่เขาไม่ดีอยู่ที่ไหนรู้ไหมกายนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้จิต ด, ดวงนั้นเป็นอริยบุคคลถ้าขาดร่างกายอันนี้จิตไม่สามารถที่จะเป็นอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นเรามีครบทุกอย่าง ร่างกายอันนี้เมื่อได้มาแล้วต้องรักษาให้ดีแล้วก็ใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นเขาก็แตกดับง่ายเขาเปราะบางเหลือเกินยุงกัดตัวเล็กมากัดก็ยังจึบนี่คือการรักษาเขารักษาด้วยการดูแลไม่ให้สิ่งนั้นมากระทบกระทั่งหนึ่งรักษาด้วยการให้ โภชนะอาหารให้น้ำให้หลับให้นอนอีกหนึ่งส่วนการเอาไปใช้นั่นต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นเขาเป็นโทษเพราะเขาเป็นเครื่องมือของใจถ้าใจใช้เราไปได่าคนนั้นคนนี้เราจะเป็นโทษคือร่างกายอันเนี้ยถ้าใช้ไม่เป็นเป็นโทษนะเราชนะเขาจริงเราอาจจะแพ้เขาในหลายๆายชาติต่อไปก็ได้เพราะการกระทาของเราเอง เพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมนี้เราไม่ต้องสงสัยถ้าเราเกลียดใครมากๆคนคนนั้นหละจะมาเป็นของคนของเราในอนาคตชาติให้พวกเราจำไว้นะถ้าเราเกลียดใครมากๆคนที่เราเกลียดเขามากๆนั่นแหละเขาจะกลายมาเป็นคนของเราในอนาคตชาติจำไห้นะถ้าไม่อยากได้ใครเราห้ามคิด ถ้าคิดแล้วเขาจะมาปัวพันกันทันทีอาจจะเป็นลูกเราก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้ในอนาคตชาติเพราะฉะนั้นเรื่องจิตอ่ะบอกามาเรื่องจิตจิตใจนี้เขาสำคัญยังไงเขามีหน้าที่ อ, อะไรเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนให้พวกเรากาหนดแล้วก็ดึงเขามาตั้งไว้ที่ฐาน หรือว่าอยู่กับคำบริกรรมพุท ธ, ธุจิตไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้แต่พระบุทธให้พระพุทธจาตรัสเอาไว้ว่านั้นแหละคือตัวของเราตัวของเราที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ก้อนบุญจากอดีตชาติ น, ะนี่นะเดี๋ยวเขาก็แตกดับแต่จิตเนี่ยเขาไม่เคยตายเป็นตัวของเราจริงๆ แล้วเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ <c oughs> จิตเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่เคยตายสติก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนปัญญาก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนธรรมะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ขบวนการที่ไม่มีตัวตนนี่แหละจะทำให้พวกท่านทั้งหลายเป็นอริยบุคคลได้คิดให้ดีนะฟังให้ดีแล้วก็คิดให้ดีแต่ต้องอาศัยการปฏิบัตินะแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติพระพูทธเจ้าตรัสเอาไว้ทุกอย่างจะไม่ค่อยมีตัวตนแล้วก็จะ นำผู้ปฏิบัตินั้นเข้าสู่สถานที่ที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่นั่งอยู่ตรงนี้มีงานทําเรียนหนังสือจบแล้วมีงานทํามีเงินเดือนใช้ทั้งนั้นนหะแต่หาคนมีความสุขที่แท้จริงรู้สึกไม่มีนะความสุขที่ท่านได้รับอาจจะได้รับเงินรับทองพออกพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีอกดีใจไปชั่วระยะหนึ่งนิดๆหน่อยๆก็ผ่านไปผ่านไปแต่ก็ทุกฟุ้งขึ้นมา นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าไม่ยินดีไม่ส่งเสริมแล้วก็ไม่ได้ตรัดไม่ได้จัดเข้าไปเลยว่าเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนไม่มีซื้อไม่มีขายไม่มีอิงด้วยบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้นไม่มีอิงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเขาอยู่ที่ไหนทุกคนมีสิทธ ามาดูเรื่องจิตก่อนจิตใจจิตใจเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละแต่มาดูการทำงานของเขาทีนี้เนี่การทำงานของเขาเขาก็จะอาศัยหูตาจมูกลิ้นกายอันนี้คือเครื่องมือของเขาที่เขาจะใช้ทำงานใช้กิเลสเข้าก็เข้าหูเข้าตาเข้าจมูกนี่แหละเข้าตรงนี้ ใช้ตรงนี้เป็นทั้งเครื่องมือเอาไปด่าคนอื่นได้เป็นทั้งเครื่องมือรับภายนอกเข้ามาสะสมเป็นกิเลสภายในก็เข้าตรงนี้ออกตรงนี้แหละแต่ทีนี้จิตเขาไม่มีตัวตนเขาอยู่ในร่างกายของเรานั่นแหละแต่ละคนแต่ละคนก็มีจิตแต่ละดวงแต่ละดวงแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเขาไปไหน เขาคิดไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเรานั่งอยู่ตรงนี้เราบริกรรมพุทโทธก็อยากคิดนะคิดนะว่าเราคุมเขาอยู่บางคนก็นั่งไปอย่างนั้นแหะไปหาเพื่อนฝุงอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่คือจิตปกติของเขาแล้วคือเขาทํางานอยู่ในระดับนี้แหละเขาจะ ชอบคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่ชอบคนนั้นเขาก็จะอยู่อย่างนี้ทุกวันน่ะเขาก็จะไปหาคนนั้นไปหาสิ่งนั้นได้อันนั้นได้อันนี้เขาก็จะไปเที่ยวอยู่อย่างนี้นี่คืออาการปกติของจิตถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เราจิตถ้าเป็นลักษณะอยู่อย่างนี้เขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิได้เลย เพราะฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิถึงมีพุโทโธหรือว่าดูลมหายใจหรือว่ารู้สึกอยู่ที่ใดที่หนึ่งของร่างกายจิตที่จะเป็นสมาธิได้คือจิตอยู่ในกายทำยังไงเราจะให้มีความรู้สึกอยู่ในกายได้เพราะฉะนั้นวิธีทำให้จิตเป็นสมาธิถึงเป็นสิ่งที่ อยู่ในกายอย่างเช่นบริกรรมพุทธโธจิตอยู่ในกายนะถ้าสรงกระแสออกนอกอยู่นี้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาธิเลยจิตทีนี้มาพูดเจิตที่ท่องเที่ยวกับอารมณ์จิตที่ท่องเที่ยวกับอารมณ์เขาไม่มีบันอิ่มเขาไม่มีบันเบื่อ เขาไม่มีหนาวไม่มีแดดไม่มีร้อนไม่มีฝนเขาไม่มีฤดูกาลเขาไม่ได้กลัวใครเลยถ้าเขาจะไปถ้าเป็นคนมีตัวมีตนเขาจริงเขาฆ่าตายแล้วนะไปขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้หาคนนั้นคนนี้ไปที่จิตไปท่องเที่ยวหาคนนั้นคนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าขยะอารมณ์ กิจใจของพวกเราไปลือขยะจินนะ่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้เอาเนือตั้งแต่ปีไหนเดือนไหนก็เอามาอุ่นจินอยู่นั่นแหละนี่คือลือ้อขยะกินทีนี้การที่เราจะทําสมาธิเนี่ยเราต้องตัดกระแสะพวกเรล่านี้ทวนกระแสะเข้ามาทวนกระแสะเข้ามาด้วยการบริกรรมพุทโธ ยิ่งกินยิ่งขิวยิ่งกินยิ่งไม่อิ่มยิ่งกินยิ่งอยากกินทำยังไงจะให้เขาอิ่มตัวทำยังไงจะให้เขาหยุดก็คือทวนกระแสเข้ามาด้วยคาบริกรรมพุทโธหรือว่าดูลมหายใจวันนี้อาตมาจะไม่พูดถึงพุทโธนะอาตมาจะไม่พูดถึงลมหายใจ อตาตมา จ, จะไม่พูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิอตาตมา จ, จะไม่พูดถึงเรื่องของการเดินจงกรมอตาตมา จ, จะให้ความเป็นกันเองกับพวกที่บอกว่าไม่มีเวลาพวกเรานี้ไม่มีเวลาอยู่แล้วล่ะจะนั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็จะไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นจัดให้วันนี้จัดให้ ได้คือทำอยังไงล่ะจิตนี่ถึงเขาจะไม่มีตัวตนแต่ถ้านักปฏิบัติอย่างโชคชน่ะเขาจะรู้ได้ชัดเจนว่าอาการของเขาคืออารมณ์เขาอยู่กับความคิดอาการของจิตคืออารมณ์ทำยังไงเราจะหยุดตรงนี้ได้ถามว่าหยุดได้ไหม หลายๆายคนอาจจะบอกหยุดไม่ได้แต่หลายหลายคนเขาหยุดมาแล้วหยุดด้วยลักษณะใดให้ให้ทุกคนตั้งฐานจิตไว้ที่สวงอกหลับตาหลับตาทั้งหมดตั้งจิตตามไปนะ ตามไปจะจะพาดูกระแสจิตหน่อยวันนี้ทุกคนหลับตาตั้งไว้ที่ซวงอกให้เป็นองค์พระองค์เล็กๆอยู่ซวงอกของเรานึกขึ้นมาเลยจะจะให้ดูอาการของจิตนะนี่คืออาการของเขา จิตที่แท้จริงเรายังมองไม่เห็นดูดูอยู่ทรงอกที่นี้ให้ทุกคนส่งกระแสจิตไปที่บ้านของตัวเองจะเห็นเป็นรูปออกมาเลยว่าตู้เย็นตั้งอยู่ที่ไหนจีบีตั้งอยู่ที่ไหนนี่คือเราส่งกระแสจิต เป็นผู้ส่งเขาไปเองถ้าเขาไปโดยปริยายที่เราไม่ได้ส่งจะไม่มีรูปให้เราได้เห็นจะเป็นความไอของความคิดเฉยๆให้เราส่งกระแสไปที่บ้านของทุกๆคนแล้วทีนี้การตัดกระแสก็คือตัดความคิดจากบ้านมารู้สึกอยู่ที่องค์พระอยู่ที่ทรวงอกของตัวเอง ทำได้ไหมเอ่ยเอาเวลาน้อยจะบ่ายโมงแล้วทำได้ไหมตัดจากบ้านของเราแล้วมารู้สึกอยู่ที่องค์พระอยู่ที่ท่วงอกวันนี้เราจะให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้จักว่าให้กำหนดรู้อยู่ที่ท่วงอกที่เดียว ท่านทำงานอะไรท่านก็รู้เข้าไปได้ไม่ได้เสียเวลาท่านดูได้ทุกเวลาท่านอย่าบอกนะว่าท่านไม่มีเวลาทำงานอะไรก็นึกเข้าไปได้ขับรถอยู่ก็นึกเข้าไปได้คุยกับใครอยู่ก็นึกเข้าไปได้ให้อวิธีนี้ไปทำถ้าสมมติว่าองค์พระที่อยู่สวงอกนั้นเรือนรางออกไปให โยมเนี่ยส่งไปหาเพื่อนที่ไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้แล้วตัดกะระแสแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่องค์พระแล้วก็ดูให้ได้นานๆนานเท่าไหร่จนมันหลงลืมไปแต่ก็ตัดเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาทำงานอยู่ก็ตัดเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาอย่าเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านนะการดึงจิตเข้ามาตั้งไว้ที่ฐานนี้คือสร้างพลังทั้งสติและจิตไปพร้อมๆกันเลยไปพร้อมๆกันเลย ถ้าเราทำทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆทาอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยรู้ไหมว่าได้ประโยชน์ตรงไหนพลังของสติที่กระตัดแล้วก็ดึงเข้ามาจิตที่มาตั้งไว้ที่ฐานเขาก็จะสร้างภูมิต้านทานสร้างพลังให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือประโยชน์ที่ได้สิ่งหนึ่งคือบันทอนพลังของความคิด คืออารมณ์อารมณ์นั้นก็จะเบาแผ่วลงแผ่วลงเบาลงเบาลงความทีของการตั้งก็จะทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นไปเรื่อยๆทีขึ้นไปเรื่อยๆจนจิตเดียถ้าโดนตั้งอยู่บ่อยๆเขาจะอันนี้ไม่จําเป็นต้องการเดินจงกรมนั่งสมาธินะทํางานอยู่นี่ก็ทําได้นี่นะทําได้ไม่ให้นั่งเลย ไม่ให้นั่งเลยให้กำหนดอย่างเดียวกำหนดได้ทำงานอะไรก็กำหนดได้ดูได้ดูไปดูไปดูไปถ้าสติเราเพียงพอความขยันมันเพียมันเพียนเพียงพอจิตนี้จะหยุดนะจิตนี้จะหยุดขาดจากอารมณ์ทันทีหยุดหยุดได้เอาจนมันหยุดได้ อันนี้ไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งสมาธิเอากับการทำงานควบคู่กับการทำงานเมื่อเขาหยุดอ่ะเมื่อเขาหยุดแล้วเราจะทำยังไงเราไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าจิตขาดจากอารมณ์เขา จ, จะกลายเป็นความรู้สึกออกมาให้ผู้เป็นเจ้าของนี้ได้รู้ว่าเขาอยู่ เขาไม่ได้ไปไหนอ่ะมันจะมีอาการใดอาการหนึ่งแสดงออกมาให้เราจับได้จับเอาอาการนั้นไว้แล้วก็รู้ว่าจิตของเราไม่ได้ส่งกระแสไปที่ไหนแค่นี้จิตก็สร้างพลังได้เต็มภูมิแต่จะทําอะไรเขาไหมไม่ต้องทําอะไรเรามีหน้าที่ดู รู้อยู่เฉยๆไม่ไม่มีหน้าที่ที่จะไปคิดอะไรกับเขาเลยการที่เป็นจะเป็นสมาธิเขาเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาธิแทนเขาได้ไม่มีหน้าที่ที่จะเป็นสมาธิแทนเขาได้เมื่ อ, อไรเขาจะเป็นสมาธิคุณมีหน้าที่ดูอยู่เฉยๆทีนี้จิตที่สะสมพลังเต็มที่ด้วยการเป็นหนึ่งอยู่ตลอด เขาก็จะเกิดอาการทางร่างกายร่างกายเรานี่เบาบางวันก็แทบจะมองบางวันนี้แทบไม่รู้สึกว่าร่างกายมีเดินนี่ยางกระนุนถ้าจิตอยู่เป็นหนึ่งนี่นะถ้าจิตอยู่เป็นหนึ่งนี่นะแต่พูดคุยอะไรได้ไหมได้ตามปกติเพื่อนฝูง นั่งคุยกันจีคนหาคนนี่ก็คุยกันได้อย่างสบายแต่เขาจะมีความรู้สึกข้างในว่ารู้อยู่ข้างนอกก็ตามปกติธรรมดาข้างในเขาก็รู้อยู่ความรู้สึกตัวนี้จะไม่ขาดจากความรู้สึกข้างนอกกับข้างในนี้จะไม่ไม่ขาดเลยเราจะรู้สึกอยู่ตลอดเราจะขับรถหรือทำอะไรอยู่ในความรู้สึกตัวนี้จะอยู่ตลอด ทีนี้ถ้าเขาเต็มจริงๆเขาจะมีอาการหนึ่งเกิดขึ้นอาการนั้นคล้ายๆกับว่ามีพลมมาติดอยู่หน้าอกของเราเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาหมุนเต็มที่อ่ะถ้าอาการนี้เกิดขึ้นเราก็หาที่มห ม, หมว่างปลอดจากคนแล้วก็ นั่งสมาธิเสียถ้าเราขาดสมาธิกำหนดรู้ความรู้สึกที่เรารู้มานั้นแป๊บเดียวเขาก็จะเป็นสมาธิทันทีทันทีเลยการปฏิบัติลักษณะนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับนิมิตเพราะเขาพรวดเดียวเขาถึงอัปปนาสมาธิเลยเขาไม่ได้ชะลออะไรที่ไหนสักอย่าง ขาพรวดเดียวเขาลงไปรู้สึกตัวอยู่ที่อัปปนาสมาธิเลยคือร่างกายไม่มีสวบางสบายอยู่อย่างเดียวอันนี้คือการปฏิบัติแบบแบบไม่ต้องนั่งสมาธิแบบรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดถึงใครเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งรู้อยู่ที่ฐานที่ตั้งมีแค่นี้ เข้ามามองฐานที่ตั้งเข้ามามองฐานที่ตั้งอยู่ตลอดครั้งแรกมันก็จะห่างบ้างเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงหลายๆวันเข้ามันก็จะถีเข้าถีเข้าถีเข้าจนจิตนี้ไม่มีช่องบ้างเลยที่จะออกไปคิดสุดท้ายมันก็จะเป็นลักษณะนี้ไปสว่างสบายอยู่อั ป, ปนาสมาธิสว่างโลดเลยร่างกายไม่มีถึงแม้ว่าเขาจะไม่เกิดนิมิตอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ เขาเ ร, เร็วไปหน่อยพวดเดียวเลยถึงอปปนาสมาธิเลยสว่างสบายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเรายังอยู่ในการยังอยู่ในฐานะของนักปฏิบัติอยู่เราศึกษาเขาได้ศึกษาเขาได้การถอนออกมาก็เหมือนกันถอนออกจากการเป็นสมาธิเขาก็จะพวดออกมาเลยมารู้สึกตัวตอนที่เรามีร่างกายแต่ทีนี้เขาจะ แปลกมากก็ตรงที่ว่าเขาไม่หิวโหยกับอารมณ์เลยนะเขาไม่ได้ยินดีกับอะไรเลยคือจิตเนี่ยถ้าเขาได้ผ่านการเป็นสมาธิถึงอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นสมถ t a เต็มภูมิถ้าเป็นนักมวยก็เออนัดบันชิงแชมป์ได้เลยถ้าเป็นนักกีฬาก็นัดบันได้เลยพอตัวแล้ว ทีนี้จิตระดับเนี้ยที่ผ่านการเป็นสมาธิมานี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ยินดีกับอะไรนะเขาจะไม่ยินดีกับอะไรเลยรสชาติของสมาธิพวกเราก็อาจจะอ่านเจอเป็นบางคนอยู่แล้วว่าจิตที่เป็นสมาธินี่รสชาติของสมาธินี่เป็นรสชาติที่เหนือกว่า รสชาติอื่นๆนะถ้าจิตผ่านการเป็นสมาธิปุ๊บถอนออกมาเขาจะมีอยู่สองระดับระดับที่หนึ่งคือรับเอารสชาติของสมาธิแล้วก็มาเสวยความสุขอันนี้เขาไม่ทำงานเขาจะติดอยู่เสวยรสชาติของสมาธิไม่ได้สนอะไรเลย เบลอๆ เ, เหมือนคนติดยาบ้าถ้าเป็นลักษณะนี้นะอีกระดับหนึ่งเขาถอนพรวดออกมาแล้วเขาก็จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาเลยอันนั้นปล่อยเขาไปเรามาศึกษาไอ้คนที่ไม่ทางานเนี่ยติดรสชาติของสมาธิไม่เอาอะไรเลยปราศจากผู้คนนั่งอยู่คนเดียวจะเป็นสมาธิอยู่อย่างเดียวถ้าลักษณะนี้นะ ถ้ามองซ้ายขวาไม่มีใครเนี่ยเขาจะพวดลงไปเป็นสมาธิอยู่อย่างเดียว <c oughs> เขาจะไม่ทํางานถ้าปล่อยให้เขาเป็นสมาธิซ้ําแล้วซ้ําอีกเ ป, เป็นแล้วเป็นเล่าเนี่ยดีไหมไม่ดียิ่งสงบมากยิ่งห่างปัญญายิ่งสงบมากยิ่งขี้เกียจขี้คัน เพราจะนั้นทำยังไงเราต้องมาฝึกฝึกคิดเห็นอะไรคิดเลยเห็นอะไรคิดเลยอย่าให้เขาเป็นสมาธิอีกอย่าให้เขาเป็นสมาธิซ้ํซ้ซากๆเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะจิตมันมันจะเป็นสมาธิปุ๊บเลยอะ่ะจิตถ้าติดอย่างนี้นะคิดหาเพื่อนที่มีธรรมะนิดๆหน่อ ย, อยคุย คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆถ้าเขาถูกสกิดด้วยการคุยการคิดเนี่ยเขาจะดีดออกมาทำงานเลยถ้าเขา ด, ดีดออกมาปุบเขาก็จะพิจารณาหนึ่งเราบังคับให้พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหมือนอน้ำมูกน้าลายอ่ะเอาร่างกายของเราเนี่ยเราเป็นเป้าหมายของการพิจารณา เ อ, เอาเาป้าหมายนี่แหละ yeah. ถ้าเขาไม่คิดเราคิดจิตลักษณะนี้ต้องต้องคิดว่าผมขนเล็บฟันหนังต้องเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้ปัจจุบันนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างทำความสะอาดแต่ถ้าไม่เราไม่ทำสิ่งทั้ง5้าอย่างนี้จะเป็นยังไงเอาพิจารากลับไปกลับมาพิจรารณาไปสักหน่อยให้เราหยุด หยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อที่จะให้วิปัสสนาจริงขึ้นการนึกคิดนี้เป็นวิปัสสนึกเพื่อที่จะล่อเอาวิปัสสนาเราคิดไปคิดเรีย ค, ค, คิดไปแล้วหยุดหยุดใช้ช่วงบ้างสักนิดหนึ่งหยุดถ้าวิปัสสนาไม่เกิดเราคิดต่อไปคิดแล้วหยุดถ้าไม่เกิดก็มาคิดต่อไปอยู่อย่างนี้ถ้าสมมุติว่า เราหยุดปุ๊บวิปัสนาลับพับเข้ามาความนึกคิดนั้นหายปับ๊บความเห็นจริงเกิดขึ้นว่าผมคนเล็บปันหนังต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ้าวไม่นึกก็เขาไปเองอะทีนี้นะนี่เขาเรียกว่าวิปัสนาเอาวิปัสนาคไปร่อเอาวิปัสนาจิตละดับนี้ต้องต้องเอาความนึกคิดเราเห็นไหมปั๊มน้ําของของพวกเราถ้าปัม๊ม ชนิดหนึ่งอ่ะต้องได้เอาน้ำไปล่อใช่ก่อนน้ำไปใส่ให้เต็มถึงสตาร์ทเขาก็ไปเลยถ้าไม่มีน้ำอันนั้นเนี่ยเขาไม่ไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พูดถึงระดับจิตที่มีความสงบมากระดับจิตที่ไม่อยากจะทำงานแต่ส่วนที่ทำงาน ที่มันเป็นสมาธิถอนขึ้นมาปุ๊บเขาดีดขึ้นสู่วิปัสสนาเลยเราก็มีหน้าที่ประคับประคองว่าเขาถูกไหมเขาพิจารณาถูกไหมอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าพิจารณากายส่วนมากสายกรรมฐานมันก็จะให้พิจารณากายนี่แหละคือกายนี้เป็นสถานที่เป็นสถานที่ที่จิตทุกดวงหลงก็คือเรื่องกาย จุดแรกจุดแรกที่จิตหลงก็คือร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นกรรมฐานสายกรรมฐานนี้ถึงให้พวกเราเข้ามาพิจารณากายคนก็ไม่ได้สวยได้หล่ออะไรกันมากมายแต่ทำไมมันหลงกันมากกันนักกันหนาทำไมมันทำไมมันอยู่คนเดียวไม่ได้เลยเ ห, รหรือได้ยังไงมันหลงใครอันนี้มากนักหนาเลอะเกินนี่ ก็ไม่ได้ต่างกันอะไรนะหัวก็หัวเดียวเหมือนกันหมดขาก็สองขาเหมือนกันหมดสองแขนเหมือนกันหมดแต่อะไรมันมันมันเกินไปหรือหรือว่ายัางไงเนี่ยชายหลงหญิงหญิงหลงชายเนี่ย อ, อก็เอามาจุดแรกคือร่างกายถ้าเรารู้ความเป็นจริงของร่างกายของตัวเองคนอื่นก็เหมือนกัน เป้าหมายความถือเนื้อถือตัวก็คือหลงกายของตัวเองเป้าหมายที่ไปอิจฉาพยาบาทอาฆาตของคนอื่นก็คือหลงตัวเองทีนี้เราต้องเอาธรรมะเนี่ยเป็นกล้องให้เขาส่องดูจริงๆเถอะพระพุทธเจ้าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ถือว่าท่าสีแ ล, ล้วล่ะอันเนี้ยทำไมเรามองมองไม่เห็นถึงแม้ว่าจะฟังคำเทศหรือว่าจะศึกษาในหนังสือ ทุกองทุกท่านก็ตรัสว่าเป็นหนังสื อ, เ, อเป็นธาตุสีแต่ความหลงตัวนี้ไม่ยอมขาดออกจากใจนี่เพราะอะไรเราต้องเอาธรรมะด้วยการเป็นสมาธิเป็นกล้องท่องเข้าไปเราก็จะเห็นธาตุสีเมื่อเห็นธาตุสีแล้วจิตคิดยังไงจิตก็จะเกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเมื่อความเบื่อหน่ายจากร่างกายของตัวเอง ของคนอื่นเป็นยังไงก็เหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเขาไม่อาบน้ำเราจะดมเขาได้ไหมเราจะกวดเขาได้ไหมถ้าสมมุติลมเขาไม่เข้าไม่ออกเดี๋ยวเนี้เราจะชอบเขาไหมล่ะนายกิเลสมันสันดานขนาดไหนอ่ะมันหลอกลวงเราขนาดไหนอ่ะ เดี๋ยวนี้มันก็ยังถ้าพูดถึงเรื่องตายเนี่มันกลัวทันทีทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้ตายนะจิตนะร่างกายเป็นคนตายจิตนี้มันตายไม่เป็นมันจะไปต่ออยู่ทีนี้จิตเห็นธาตุทั้งมันก็จะเกิดการเบื่อหน่ายการเบื่อหน่ายนี่จะจะเป็นบันไดสําคัญให้จิตจิตก็จะทวนกระแสมาก กว่าการเป็นสมาธิเข้าไปเข้าไปเข้าไปถึงทร ร, ระดับหนึ่งนั้นถ้าจิตเข้าไปยืนอยู่ระดับหนึ่งนั้นเราจะรู้ตัวเองได้ชัดเจนที่สุดว่าเราโงา่โอ้โหเราโง่ขนาดนี้หรือคำพูดหรือว่าอากับกิริยาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้จิต ดวงที่พัฒนาเข้าไปถึงจุดนั้นเขาจะบอกว่าเราเหลือเราเหลือเนี่ยทำไมน่าเกลียดจังอ่ะมันจะพูดอย่างนี้นะคือเขามันจะเปรียบเทียบให้ฟังยังไงอะ่ะตั้งแต่เด็กเราเด็กเราเล่นหินเล่นทรายใช่ไหมเราโตขึ้นมาระดับหนึ่งเราเล่นไม่ได้แล้วหานไปแล้ว เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็มองเราเหมือนเรามองเด็กเล่นหินเล่นทรายนั่นนหะโอ้น่าสงสารนะสิ่งที่เอาไปได้ก็ไม่พากันท้าสิ่งที่เอาไปไม่ได้เดี๋ยมันจู้ตายจริงๆมันตื่นตั้งแต่เช้าล้างหน้าล้างตามันจะไปเอาอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าอะไอย่างนี้อนะเดี๋ยวนสิ่งที่เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้เนี่ย เป็นของสาธารณะตักตวงเอาได้ทุกการทุกเวลามาก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะโอ้ยมนุษย์นี่ทํำยังไงทํำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตัวเพื่อจะเอาเราจะเป็นคนที่ไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตัวเพื่อที่ จะให้เราจะเป็นคนได้มากที่สุดเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันถ้าท่านอยากมองโลกนี้ให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าท่านจะขับรถตะเวนหรือว่านั่งเครื่องบินไปดูนะถ้าท่านอยากมองโลกนี้ให้ชัดเจนให้ท่านมองที่ใจท่านท่านจะเห็นอะไรมากมายถ้าท่านมองสิ่งอื่นอยู่แล้วท่านจะบอดทางใจ ความบอดทางใจนี่แหละคืออับบายภูผุความบอดทางใจนี่แหละคือความไม่รู้ดีรู้ชั่วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นศาสนานี้สอนเรื่องการหลุดพ้นอย่างเดียวนะพวกเรายืนอยู่ในฐานะที่จะทำได้แล้วเราจะปล่อยให้ตัวเองนี้ตายเปล่าหรือไง หนทางออกมีหนทางออกมีใครไม่รู้ไปถามพระธรรมพระธรรมจะชี้หนทางให้เองเดี๋ยวไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านอย่าคิดว่าเราจะแก่ตายอย่างเดียวนะความตายของร่างกายอันนี้มีสิ่งที่จะมาทำให้มันตายมากมาย ตั้งแต่วันนี้ไปอย่าประมาทเลยเข้าไปหาไอ้ตัวที่ไม่มีตัวตนที่เนี่ยท่านจะรู้อะไรมากมายสิ่งที่บริสุทธิ์ที่ท่านต้องการที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเข้าไปเข้าไปหาคนคนนี้เราจะรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีอะไรให้เราดีๆทั้งนั้นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น สนามรบที่สำคัญที่สุดคือจิตใจระหว่างทรรมกับกิเลสนักรบที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจชนะหรือแพ้ก็คือใจตัวของเราเองเป็นพุ่กุมกับคือสติและปัญญาเราจะเอาอยัางไงคิดให้ดีกับตัวเองถ้าคุณพลาดชาตินี้ชาติต่อไปคุณจะไปอยู่ที่ไหนกับใคร ไม่มีนะไม่มีหรูหราอย่างนี้นะไม่มีรูหลาเซนท่านราซาอะไรนี่อย่าได้คิดเลยคาโปชิโนโชิเน่เนี่ยไม่มีอะ่ะจะไปคิด <c oughs> แม้แต่เวลาท่านไปท่านก็ยังไปคนเดียวร่างกายที่มันไม่หมดสภาพเนี่ย ญาติพี่น้องเรานะั่นแหละจะเป็นคนจัดการเผาเองไม่มีใค ร, รอ่ะอย่าปล่อยให้หลุดไปถ้าปล่อยให้หลุดไปในชาตินี้ท่านจะเป็นทุกข์อีกหลายๆายชาติเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ใช่ธรรมดาพวกเรานี่เกิดขึ้นมาเจอศาสนาพุทธมีผู้บรรยายทําให้เข้าอกเข้าใจอยู่นิดเท่ากับว่าพวกเรานี้ยืนอยู่ยืนอยู่ในมหาวิทยาลัยของพระนิพพานนะ่ะเดี๋ยวนี้นะ ท่านจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นแหล ะ, ะสมมติว่าท่านตายไปแล้วหลายๆชาติกลับมาอีกไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าประดับโลกอยู่ท่านจะเป็นลักษณะไหนถ้ามีศาสนาอื่นประจำอยู่ท่านก็จะไปอาศัยศาสนานั้นพออยู่ได้ถึงมันตายแค่นั้นเดี๋ยวนี้รู้ดีรู้ชั่วรู้ต่ำรู้สูงรู้ถึงกับว่าความว่าเป็นพระนิพพาน แล้วเราทำอะไรอยู่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะรอใครในโลกในโลกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เรารอเขาได้เพราะเหมือนกันตายเหมือนกันการแสดงทำบันนี้เนาะเวลาก็กินเวลามาเยอะก็เสนอสนองให้กับ สรุปแล้วก็ให้พวกเราจี้ลงที่ใจดวงเดียวนะสรุปก็คือทำคุณงามความดีทางใจทางใจนี่แหละเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านนึกถึงนายหลวงท่านประพฤติปฏิบัติบูชาท่านท่านนึกถึงปู่ย่าตายายประพฤติปฏิบัติบูชาท่านนึกถึงบิดามดารดาประพฤติปฏิบัตินี่แหละบูชาท่านพระพุทธเจ้าตราสัสเอาไว้เอาไว้แล้วว่า การบูชาที่สูงสุดคือการปฏิบัติบูบชาสรุปแ ล, ล้ว ล, ล, ลงที่จิตใจที่เดียวเพระเาะฉะนั้นการได้มาบรรยายธรรมวันนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้มีสติปัญญาเอาตนพ้นทุกนู้แจ้งเห็นจริงในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าทิตรัดเอาไว้ก็เป็นบุญกุศลกับสถานที่ซึ่งเป็น ชมรมทีโอทีที่ได้มีเจตนาสร้างบุญสร้างกุศลได้เกิดขึ้นบันนี้มีความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรนะเยบางก็มีด้วยประกาศดัชนีสาธุครับต่อไปก็ตั้งใจน้อมรับพรนะครับรับพรนรับ โดยบุญโดยกุศลของตัวเองมีความสุขความเจริญด้วยการประพฤติปฏิบัติของตัวเองความสุขวอวยพรก็เป็นคำปากลมปากเฉยถ้าความสุขตรงนี้มีความสุขตามคำวอวยพรรับพรจริงบาปทําไมไม่มีใครไปให้พรมันมันถึงบาปอยู่ ถ้า ต, ตรงนี้มันให้ความสุขจริงเราก็นั่งรถสักเช้าหนึ่งสักสองร้อยวัดไปรับเอาอายุบรรโวสุขขังพลังแล้วก็มีความสุขกันทั้งนั้นแต่อันนี้เขาเรียกว่ า, าศาสนพิธีเพื่อที่จะให้เสร็จไปเราอย่กยึดถือตรงนี้การให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้จบแล้วคือ จบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรับพงรับพรก็ได้แต่วันนี้ให้ให้วันนี้ไม่ใช่ไมให้นะต <laughs> ามพิธีนั่นแหละยะถามบาริมหาปูราปริปูเรนติ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 สภีติโยบิวัจจันตุสัพโรโกบินสตุมาตพภวัตบรรยุสุขีติคายุโกภวะอภิวัธนาศีลิสนิจังบุตธาปจายโนจัตารธรมมวัดทันติอายุวันโนสุขขังพระลังโศ อัธรโสสุกิโตเิรุนโหพุทธัสสเสอโรโสุกิโตโหหิสหัสสะเหิาติภิภาวะตุสัพมังครังรคันตุสัพเทวตาสัปพุทธานุภาเบนะสพธมานุภาเบนะ สภสังขานุปพาเวนะสัทธาสุธิพะวันตุติสาธุ